ผู้ทั่วสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะดิฉันสันสนีนาฏพงรายการนี้รายการสรนสนีสนทนามารายงานตัวว่าท่านทั้งหลายกําลังจะได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสที่จะเจริญสติกันสําหรับเช้าวันนี้ก่อนที่จะไปไหนกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ท่านพบูลได้เดินทางมาแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ประสานมิตรตอนช่วงบ่ายต้นๆด้วย ะะถ้าใครสนใจอยากไปเดี๋ยวท้ายรายการจะแจ้งให้ทราบค่ะเพราะว่าเขาเปิดที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปฟังด้วยเราไปกราบน้ำมศ ก, การท่านกันเดี๋ยวนี้ก่อนนะคะน้สัส ก, การครท่านคะเจริญพรเรามาฟังธรรมเริ่มต้นด้วยการที่ปฏิบัติธรรมกันเลยไหนท่านผู้ฟังมาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจของเราที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าอยู่อย่างเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ ให้เรามารู้ถึงลมหายใจนี้สติแปาว่าการระลึกได้ระลึกในที่นี้ก็คือมาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงลมหายใจของเราแต่แทนที่เราจะตามลมเข้าตามลมออกเราไม่ตามราปริญ้าเปรียบเหมือนกับยามหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยที่เขาจะอยู่ที่บริเวณป้อมยามจะไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกที่เดียวกันเรามารู้ลมเนี่ยไม่ต้องตามลมพอเรามารู้ลมแล้ว ในขณะที่เรารู้ลมอยู่นี้อาจจะมีความคิดอาจจะได้ยินเสียงที่ข้าพเจ้าพูดถึงอาจจะมีกลิ่นหรือว่าเห็นภาพใดๆให้เราเห็นผัจจะเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของที่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นโดยความเป็นของที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเองเดี่ยวๆโดดๆแต่เป็นของที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นการที่มันเป็นของที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น นั่นคือความที่มันเป็นอนัตตามันต้องอาศัยเหตุเกิดขึ้นเช่นถ้ามีเสียงใดๆมากระทบหูเราออาแสดงว่ามีแหล่งกําเนิดเสียงมีแหล่งกําเนิดเสียงมีเสีย ง, ม, ยงมีหูเอา้าเราจึงได้ยินเสียงนั้นอ่านี่มันคืออาศัยเหตุปัจจัยถ้ามีกลิน่นเฮ้ยเขาทําอะไรผัดอะไรหรือกิจะเป็นกลิน่นเหม็นกลิ่นหอมเราไม่ได้ดูที่ความหอมความเหม็นตรงนี้แต่เราดูที่อะไรมันสร้างเหตุนี่มาอะไรที่มันสร้างเหตุมีการกระทบกันมีเสียงกันมีกลิ่นกัน เกืฑ์นั้นก็เกิดขึ้นเสียงนั้นก็เกิดขึ้นเห็นโดยความเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยตรงเนี้ยคือลักษณะของความเป็นอนัตตาสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดี่ยวๆโดดๆเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นอัตตาแต่เรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงของที่ไม่เที่ยงหมายความว่ามันอาเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเช่นมาถ้าเรา เอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ณนะที่อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำนาระลายไปตั้งไว้อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำระเหยไประเหิดไปเช่นเดียวกันเวลาที่เรามาพิจารณาดูเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงของภาษาที่มกระทบอย่าไปเห็นว่ามันเป็นอันนี้อย่าไปดูที่บริบทของมันอย่าไปดูที่ความสวยความงามหรืออะไร แต่ให้ดูที่ความไม่เที่ยงลักษณะการที่เราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่มากระทบผ่านทางภาษาทั้ง6กเนี่ยก็เรียกว่ากุนตั้งสติขึ้นแล้วในการตั้งสติขึ้นแบบนี้ฝึกทำไปเนี่ยจะสามารถทำให้เรามีการปล่อยวางมีการคลายกหนัดมีความไม่เข้าไปยึดถือไม่ดราม่าขึ้นลงตามความสุขหรือความทุกข์ของมันมากแต่ให้ใจเรามีความนิ่งๆอยู่ได้ ลักษณะที่มีความพ้นความพ้นนี้ในภาษาบาลีเขาใช้คําว่าวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าพ้นก็นนคือพ้นจากการที่จะถูกสิ่งต่างๆครอบงำพ้นจากการที่จะต้องตกไปตามอํานาจของผัสสะต่างๆถ้าเพราะว่าคนที่ยังไม่พ้นยังตกไปตามอํานาจของผัสสะนี่คือเหมือนกับเป็นทาต น, นตกเป็นธาตของผัสสะแต่ถ้าเราเห็นผัสสะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะพ้นจากมันได้ไม่ตกเป็นธาตุของมัน มีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเราก็สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงสามารถที่จะไม่ได้มีอารมณ์ขึ้นลงกำนัดยินดีหรือว่าขยะกข ย, ข ย, ข ย, ขยขังเกลียดชังความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงจะน้อยลงจากการที่จะต้องขึ้นขึ้ น, นลงๆและความสุขก็จะมากขึ้นจากการที่ได้อยู่นิ่งนิ่งเย็นเนลนักษณะการประพฤติการการะทธรตรงเนี้เป็นไปตามทางตามนี้คืออริยมรรคมีองค์แ เราเห็นการไม่เที่ยงเห็นความเป็นของเป็นอนัตตาเห็นความเป็นทุกข์เราตั้งสติขึ้นนี้ชื่อว่าเราปฏิบัติตามมรรคแแน่นอนให้เราทำอยู่ตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องจะเดินจะยืนนั่งนอนหรือทากิจใดๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งสติไว้ได้นั่นเองอจริ์พรสบธุค่ะครับพูดถึงเรื่องสติ ดิ็นว่าชาวพุทธเนี่ยก็น่าที่จะพอคุ้นกับคำว่ามหาสติปฐานสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ยจะได้ยินคำว่าสติปฐานสี่โดยไม่มีมหานี่อยู่เป็นประจำแต่ถ้าคนไม่คุ้นค่ะจะคิดว่าเป็นพระสักรูปหนึ่งชื่อมหาสติปฐานสี่แล้วก็อาจจะสงสัยว่าทาไมต้องมีเลขสี่ด้วยค่ะบังเอิญวันนี้ดิฉันระวัง ขับรถกลับบ้านก็เปิดฟังท่านหลวงพ่อวิริยังนะคะ่ะ ท, ท่านเองเคยฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อวิริยังนะคะแล้วก็เ e ิร์ชไปอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอท่านเจ้าคุณพระธรรมเจติยาจารย์คือหลวงพ่อวิริยังแห่งวัดวัชิยรธรรมสาทิตหรือว่าที่คนรู้จักกันดีในแคนาดาเลยนะคะท่านจ ะ, ะจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นประจาตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่าท่านอยู่ที่นั่นด้วยทีนี้ท่านก็ได้แสดงธรรม เรื่องมหาสติปฐานสูงเนี่ยคะ่ะเรื่องฟังไปฟังไปท่าสนใจมากเพราะว่าท่านพูดไปถึงเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกับที่เราฝึกเจริญสติอยู่เนี่ยมั้งคะว่าพอทําสมาธิไปได้ในระดับหนึ่งที่คุณภาพของสมาธิดีอท่านเรียกว่าเป็นอุปจาระสมาธิโอเคใช่ไหมคะคือหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นระดับเริ่มเริ่ม เ, มเนี่ยท่านจะเรียกว่าคณิกาคณิกะสมาธิ ต่อไปก็เป็นอุปจาระแนละ้ท่านบอกว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่การที่จะสามารถพิจารณากายคตาสติคือการมีสติรู้อยู่กับกายที่อเป็นความหมายของถ้อยคำใช่ไหมคะหรือว่าสติตั้งอยู่ที่กายดิฉันกราบเรียนท่านจริงๆเลยนะค ะ, ะสิ่งที่หลวงพ่อวิไลยังพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับดิฉันท่านได้กล่าวว่า ก็เป็นการที่จะมาพิจารณาให้เห็นกายนี้ว่าไม่มีเนื้อหนังใช่ไหมคะเหมือนกับลอกเอาหนังออกไปอลอกหนังออแล้วก็ให้พิจารณาความเป็นกายนี้ก็จึงสงสัยว่าเอะที่เคยมีความรู้เดิมที่ดิฉันคุ้นเคยก็คือเวลาที่เราจะฝึกสติเราก็จะเอาสติเนี่ยอยู่รู้ลมหายใจใช่ไหมคะ เพราะเข้าใจว่าลมหายใจคือกายหนึ่งในกายทั้งหลายกับอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็เข้าใจว่ากายหเหมือนร่างกายของเราที่เป็นรูปถูกคะใช่แล้วก็เวลาจะเคลื่อนไหวเวลาจะอะไรก็จะไปรู้มีสติอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือการที่เป็นกายะขะตาสติอ๋อจริงจริงอันนี้พอพอเราได้ยินได้ฟัง อ, อย่างครูบาอาจารย์เทศหรือว่าอ่านหนังสือเล่มไหนก็ตามเนี่ย อันนี้หลักการก็คือเรากลับมาที่ตัวแม่บทน ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่างคำศัพท์หรือคําบัญญัติอะไรต่างเนี่ยเราดูที่มาที่ไปเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้น อ, อย่างที่พูดถึงว่าเรื่องของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ยคำอธิบายตรงส่วนนี้มีมาจากหนังสือวิสุทธิมัชเรื่องของวิสุทธิมัชที่เป็นคําอธิบายเรื่องของการปฏิบัติต่างอันนี้เป็น อธิบายที่แต่งโดยท่านพุทโฆษาอาจารย์ท่านอธิบายแง่มุมเรื่องของสมาธิจากการที่แป๊บๆน้อยๆก็ใช้คำว่ากานิคะถ้ามีกําลังมากขึ้นมาหน่อยก็ใช้คำว่าอุปจาระแล้วถ้าเป็นสมาธิที่แบบมั่นคงเลยก็เรียกว่าเป็นอัปปนาใน3ระดับนี้เนาะทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านก็จะบอกถึงเรื่องของชั้นหชั้นสชั้นสามชั้นสในแต่ละชั้นสมาธิก็จะอธิบายว่ า, วามีองค์ประกอบอะไร แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความมากน้อยแต่ถ้าทําได้น้อยก็คือน้อยทำได้มากก็คือมากแต่ทีนี้ตรงส่วนที่เป็นความมากน้อยก็มาขยายด้วยเรื่องของสมาธิสามระดับกนิกาอุปจารยก็อัปปนาทีนี้ส่วนที่คุณโยมติวมีความเข้าใจว่ากายคือลหมหายใจอาจจะทําไมตรงนี้กายคือเป็นลอกหนังออกลอกเนื้อออกหรือผ่านเนื้อออกให้มันอันเดียวกันหรือไม่หรืออย่างไรแต่ทีนี้ถ้าเรากลับมาที่ตัวแม่บทคือที่ คำสอนของพุทธะะแลเรามาศึกษาดูในพระสูตรต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในอานาปนาสติสูตรหรือในกายคตาสติสูตรเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นคําอธิบายเรื่องของกายมีอยู่น่าจะมีอยู่นะในส่วนของกายเองในส่วนของกายเองก็จะยกเรื่องอานาปนาสตินี้ก็เป็นกายอย่างหนึง่งจะยกเรื่องของธาตุดินนะที่หมายถึงผมกนเล็บฟันหนังนี่เองกระดูกจะยกเรื่องของธาตุน้ํา ที่หมายถึงน้ําดีน้ําเลือดเสลน้ําหนองพวกนี้ก็เป็นกายจะยกถึงการที่กายนี้มีความเน่าเปื่อยเนะ่ยตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างทิ้งไว้ตามป่าช้าเป็นที่เผาศพนะี่ยเน่าเละนนจาะสัตว์ร้ายกินอยู่เนะจนกระทั่งเป็นกายที่มีเนื้อและเลือดเปื่อนอยู่นะ่ยบางทีเนื้อเลือดหมดไปแล้วแต่มีเอ็นเป็นเครื่องริงรัดอยู่ยังเป็นโครงกระดูกอยู่บางที เอ็นเนี่ยมันถูกย่อยสลายไปแล้วกระดูกเป็นชิ้นเป็นไปตามที่ต่างๆแล้วก็จนถึงกระดูกเปื่อยเป็นผงละเอียดพวกนี้คือกายหมดเลย <Okay. S 1> คือกายหมดเลยเพราะฉะนั้นที่กายลมหายใจกายเน่าเฟะกายธาตุสพวกนี้คือกายหมดเหมือนกันนะเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนในะคำว่ากายานุปัสนาสติปฐานเนี่ยคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ ในสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้นะปัจฐานนี่ก็ <Okay. S 1> คือเป็นฐานที่ตั้งให้มีสติเราจะเอาอะไรมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติคุณจะใช้กายก็ได้คุณจะใช้เวทนาก็ได้คุณจะใช้จิตก็ได้คุณจะใช้ธรรมะก็ได้แต่อย่าง <Okay. S 1> ที่อาตมาพาทำตอนแรกเนี่ยคือใช้เรียกเป็นธรรมะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเขีนความไม่เที่ยงของภาษาที่มากระทบพอเราเห็นความไม่เที่ยงของภาษาที่มากระทบแล้วระลึก ถึงมองมาเพ่งดูอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือสติเกิดขึ้นละก็เลยเป็นรธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานอย่างนี้น ะ, นะถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าในส่วนของสมาธิเมื่อตั้งขึ้นได้ในระดับที่พอประมาณถึงขั้นที่จะมาพิจรารณากายในลักษณะทีะ่ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ย น, นะคะ ừ, ก็หมายความว่าถึงตอนนั้นนี่อาจจะแบบ ว, ว่า ลมหายใจนี่ก็ก็ไม่มีให้เราต้องพิจารณาแล้วไหมคะแบบว่างนิ่งสบายเป็นเป็นไป<บ>ได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะคือัอนน้นความความที่ลมหายใจมันเบาไปเนี่ยอ่าเป็นเป็นเพราะว่าเวลาเราไล่าลามาเป็นลําดับก่อนนะอย่างคนที่เพิ่งฝึกใหม่ๆเนี่ยอะไรลมหายใจหายฉันไม่เห็นเจอคือฉันก็ไม่เห็นลมหายใจเลยด้วยซ้าบางทีฝึกใหม่ๆไม่ไม่เห็นแม้แต่ลมอย่างเงี้ย น, นะเอางี้มันจะไม่เหมือนกันสมมุติว่า จึงมีเทอมก็เรียกเ ป, เป็นคําพูดที่พูดขึ้นมาะนะั่นคือคำคณิตศาสตรสมาธิเช่นว่าเร า, เราฝึกมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยจากไม่เคยฝึกเลยเอามาฝึกเอาให้หายใจแรงๆสักสองสครั้งพยายามที่จะทําสมาธิแต่ว่าสมมุติฝึกนั่งห้เก้าฝึกนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยทำไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไม่เห็นลมบ้าบอห้นาทีทําได้1นาทีไอ้ที่ว่าทําได้1นาทีตรงเนี้ยจะบอกว่าทําไม่ได้ไม่ได้นะ เพราะคุณทำได้1นาทีถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่ทําได้หนึ่งนาทีเนี่ยมันไม่มีกําลังมากพอในการที่เราจะแบบโอ้โหจิตรวมลงเป็นลมอันเดียวว่างไปหมดใสปิ้งมันไม่เป็นอย่างนั้นลักษณะสมาธิที่แบบนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้คือคณิกา terminology ที่เขาจะใช้พูดกันตรงนี้แต่แต่แต่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อธิบายตรงนี้นะ terminology ขอประทานโทษนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นคําจํากัดความคําคําพูดที่เรียกกันใช่ใช่ S <S ควำวิจวีการอธิบาย<ช>สภาวะตรงนี้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอคุณฝึกไป2วัน3วันคือไปวันสวันให้จิตมันเริ่มมีรวมลงเริ่มมีสติตั้งได้มากขึ้นอาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็รับประทานพอประมาณมีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเออเริ่มแบบเห็นสมาธิเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนขึ้นมาแบบเหมือนกับกินข้าวเนี่ยคุณไม่ได้กินเม็ดเดียวนะ แต่คุณกินเป็นจานๆมันเริ่มอิ่มขึ้นมานะเริ่มแบบมีความรู้สึกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้คำอธิบายาใช้เทอมที่เรียกว่าอุปจารสมาธิลักษณะแบบนี้ถึงจุดตรงเนี้ยที่ว่าเราสามารถที่จะใช้สมาธิเนี้ยมาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความอะไรต่างได้ก็ <No. S 2> เลยเข้าใจว่าท่านคงจะได้กล่าวในส่วนที่คิดว่าเหมาะแก่การที่จะพิจารณาในยามที่สมาธิเข้าที่เข้าทางถูกต้องถูกต้อง ควาเป็นก่อเป็นกรรม<ง>ตรงนี้ไอต้ตรงช่วงนี้แหละตรงช่วงนี้แหละที่พอเราเริ่มที่จะตั้งสติได้ปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มตั้งสติได้สัมมาถสติเมื่อบุคคลทำแล้วจะทำสำมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปได้นะที่มีได้เป็นได้นี่เป็นพุทธวนะเพราะนพอเราตั้งสติตอนแรกเราก็ยังไม่มีสมาธิแต่พยายามด้วยที่จะฝึกรู้ลมหายใจหายใจลรงสองสาครั้งมารูปมาดูแต่ว่าจิตใจยังฟุง้งซ่านได้ยินเสียงคิดนั่นนี้นู่นแต่ก็ไม่ลืมหลงลมหายใจนะแต่มันยังไม่เป็นสมาธ พอเป็นสติแบบที่ยังไม่มีสมาธิทําไปสวันสวันเริ่มมีสมาธิเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกามขึ้นมานะตัวนี้ก็เรียกเป็นอุปจา ร, รสมาธิใช่ไหมทีนี้พอมีสมาธิปุ๊บเนี่ยทําให้มีการปรุงแต่งของกายระงับลงก็เรียกว่ายาสังการระงับทาให้มีการปรุงแต่งของจิตระงับลงก็เรียกว่าจิตตสังการระงับความระงับตรงนี้ที่มีความระงับลงระงับลงเนี่ยเป็นธรรมชาติของสมาธิเพราะาสมาธิเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการห้ามการข่มบังคับหรือการปรุงแต่ง แต่จะเกิดด้วยการที่สงบระงับแบบนี้นะสงบระงับแบบนี้มันจะเกิดแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่จิตของเราระงับลงระงับลงเนี่ยมันไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้ า, บ, าบอมันก็จะรวมลงรวมลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงพอจุดที่มันรวมลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยไอการที่เราจะไปสังเกตเห็นลมหายใจหรือพื้นที่ที่เราเคยไปดูลมหายใจที่มันจะเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยนะมันจะแบบจะรู้สึกได้พอเวลาจิตมันรวมลงเล็กลงเล็กลงเรล็กลงเนี่ยพื้นที่ที่เข้าไปรู้ตรงนี้มันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลง จรทั้งดูเหมือนกับว่าไม่มีลมหายไปลักษณะที่ลมเหมือนกับลมหายไปเลยเนี่ยอันนี้คือการปรุงแต่งทางกายมันระ ง, งับมันะระ ง, งับมากมันก็มาเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งของจิตก็ระ ง, งับด้วยแต่ทำให้มันเหมือนกับว่าลมหายไปแต่ถ้าเราดูจริงๆจอบเพ่งไปเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แต่แผ่วเบามากคือไม่ใช่ว่าลมเบานะลม ก, ก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละ ตามที่ร่างกายต้องการแต่ว่ามันเบาลงการที่จิตไปรับรู้เนี่ยมันระงรับลงระงรับลงตรงนี้ยคือจะไม่มี ม, มีลมหายใจเหมือนกับไม่มีค่ะแล้วท่านก็ยังได้กล่าวต่อไปจนถึงว่าในการพิจารณานี้เนี่ยจะต้องพิจารณาหากว่าจะให้มีการเจริญทางด้านปัญญานะคะต้องพิจารณาให้เกิดความนิพิธานิพิธาแปลว่าเบื่อหน่ายค่ะนิพิทาแปลว่าเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าไล่ตามําดับขั้นอย่างนี้คุณชมติวเริ่มจากศีลเริ่มจากศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาจะทําให้เกิดความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจใเพราะว่าถ้าสมมุติเราผิดศีลเราก็จะ ม, ม่จะจับได้ไหมอะไรเงี้ยนะเราจะมีความร้อนใจเพราอคนที่ผิดศีลมานั่งสมาธิเนี่ยพอหลับตาลงนี่มันจะคิดบ้าบอทันทีเลยกังวลหลังนั้นคิดเรื่องนี้อา้าแต่ทีนี้พอเรารักษาศีลดีปุ๊บเราหลับตาลงมาทําสมาธิเนี่ยมันก็จะมีความไม่ร้อนใจ พอมีความไม่ร้อนใจแล้วเนี่ยก็จะทําความสบายใจความอิ่มเอิบใจให้เกิดขึ้นได้เป็นปีติแต่พอมีปีติก็จะมีปราโมทมีปราโมทจิตก็จะเป็นสมาธิอะไรมาของนี้นะศีลทําให้เกิดความไม่ร้อนใจก็เรียกว่าวิปติสารแต่พอมีศีลมีความไม่ร้อนใจก็จะมีปีติมีศีลมีความไม่ร้อนใจมีปีติแล้วก็จะมีปราโมทมีศีลมีความไม่ร้อนใจมีปีติมีปราโมทแล้วก็จะมีสมาธิ มีสมาธิตรงนี้พอมีสมาธิตรงนี้แล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงพอมีความไม่ร้อนใจมีปิติปราโมทเห็นมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเกิดความนิพพิทานี่ในตรงนี้คือนิพนพิทานิพพิทาจะเป็นผลของการที่เราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงยถาปูตายานัตนะคือการเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นตามที่มันเป็นน่ะมันเป็นยังไงก็เห็นตามมันไม่ได้เห็นตามที่เราชอบ หรือไม่ได้เห็นตามที่เราเกลียดแต่เห็นตามที่มันเป็นมันเป็นมาอย่างไงเห็นตามนั้นอันนี้ก็เรียกคือการพิจารณาในเทอมที่หลายๆท่านอาจจะใช้กันค่ะนั่นก็เท่ากับที่ว่าท่านได้กล่าวว่าจะต้องพิจารณาให้เกิดการนิพิธาเนี่ยต้องเป็นหลังจากการที่เราได้พิจารณาสมมุติว่าท่านยกในส่วนกายข้ตาสติที่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาความไม่งามของกายถูกไหมคะใช่ที่จะต้องถลกหนังให้เห็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย แล้วก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงดิฉันเองสงสัยอยู่เสมอ น, นะคะในการหยิบยกออกมาพิจารณาเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการใช้จินตนาการอย่างหนึ่งนะคะใช่คิดนั่นแหละคิดนั่นแหละจินตนาการนั่นแหละตัวนี้<ม>จึงจึงเป็นสัญญาไงพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงอัศวพัสสัญญาอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยหรือปาราณสัญญาหรือว่า สัญญาอื่นมรณสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาคือคุณต้องคิดอ่ะคุณต้องคิดแต่แต่คําว่าคิดที่แบบว่าเป็นสัญญานี่ยแล้วมันมันไม่ได้หน่ายไม่ได้คลายกำหนัดแต่กลับทําให้ยึดถือตรงนี้คือจริงๆไม่ได้เราจะแบบคิดเป็นวิปัสสนึกอย่างเงี้ยนะก็จะมีเทอม <c oughs> ที่คนเขาจะเรียกกันว่าเป็นวิปัสสนึกเนี่ยก็คือว่าจิต ค, คุณยังไม่มีกําลังสมาธิเพียงพอทําให้ได้แต่คิดเอานึกเอาแต่พอค <c oughs> ิดเอานึกเอามันก็จะไม่หน่ายไม่คลายกาหนัดไม่ปล่อยวาง เราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกเ ป, เป็นตามลําดับขั้นมาอย่างดีหลั <Okay. S 1> งนั้นก็ต้องทําสมาธิให้เป็นกรอบเป็นการมีเป็นเรื่องเป็นดาวซะเราก็มาพิจารณาเพราะฉะนั้นการคิดนี่คือคาว่าคาภาษาไทยนะที่ที่เรามักจะใช้กันนะคิดกับพิจารณาไม่เหมือนกันนะคิดที่เรานึกเอาคิดเอาจินตนาการเอานะก็ใช้ยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิถ้าจิตเรายังไม่ได้มีกําลังสมาธิมากพอแล้วเราไป คิดจินตนาการมันก็จะไม่ทําให้เกิดการปล่อยวางแต่ถ้าจิตเรามีกําลังมากพอมีสมาธิเพียงพอการตรงนี้เขาจะเรียกว่าพิจรารณาไปพิจรารณาแล้วก็จะทำให้เกิดการคลายกําหนัดกระคือกนิพิทาออคือการเบื่อหน่ายกือนิพิทาหลังจากนิพิธาความเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกําหนัดวิราคะวิราคะหลังจากพิจารณาแล้วเกิดนิพิทาแล้วความเบื่อหน่ายแล้ว เกิดวิราคาเป็นความคลายกำหนัดแล้วก็จะไม่เกิดการปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้วางตัวนี้คือวางที่ใจนะวางที่ใจค่ ะ, คะดังนั้นการพิจารณากายเนี้ยก็คงจะต้องพิจารณาในส่วนมุมของความไม่งามถึงจะสามารถนิพพิธาได้ถูกต้องเห็นความเห็นโทษของมันไม่ว่าจะในอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะซึ่งซึ่ ง, งที่เรามาพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการตรงที่พาปฏิบัติธรรม โทษของมันเนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงแตเช่นกายของเราที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนว่าให้เห็นความเน่าเปื่อยความถลกหนังออกเนี่ยอันนี้คือเห็นโทษในกายของมันว่ากายเรามีโทษอย่างนี้แล้วเปรียบเทียบกับประโยชน์ตรงไหนเขาประโยชน์ตอนที่มันสวยน่ยสวยงามแต่งแล้วดีแล้วเข้มแข็งแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่พอจริงๆมันไม่เป็นงั้นลอกมาเนี่ยมันเหม็นมันเน่าหรือมันมีโรคภัยไข้เจ็บ ตัวนี้คือให้เห็นโทษของมั น, นซึ่ ง, งตรงเนี้ยสําคัญมากนะคะที่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านเพราะว่าบางทีบางคนไปฟังคนอื่นเขาเล่าเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้จินตนาการให้เห็นร่างกายของเราจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยบางทีก็เลยคิดว่าเอ๊ะทาไมต้องจินตนาการก็นั่งๆไปไม่เห็นเองไปนในที่สุดหรออย่างนี้อ่าจริงๆแล้วคือการคิดขึ้นมานั่นเอง ถูกต้องด้วยด้วยสมาธิด้วยสมาธิน ะ, ะ, ะต้องต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีสติให้รู้ตัวว่าเมื่อถึงจุดจุดนี้เนี่ยควรจะคิดไข้ครวญเรื่องพวกนี้ได้แล้วให้เห็นโทษของมันถูกตอ้องทีนี้นี่เป็นจากมุมหนึ่งนะจากมุมหนึ่งจากมุมหนึ่งคือพระพุทจ้าเปรียบเทียบสติปัฏฐานสีเนี่ยเปรียบเหมือนอาคารเรือนยอดตั้งใจคำนี้กุฏาการคือเรือนยอดที่มีทางเข้ามาจากด้านเหนือตะวันออกใต้และตะวันตก เนื้อตะวันออกใต้และตะวันตกจะเข้ามาจากทางประตูไหนเนี่ยถือว่าเข้ามาสู่อาคารเหมือนกันถือว่าเข้ามาสู่เรือนยอดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากที่ที่คุณหยงติ๋วตามมามาอธิบายไปเนี่ยคือเข้ามาจากประตูหนึ่งตอนหนึ่คือเรื่องประตูของกายคือกายยากกับตาสตินะค่ะก็เข้าใจว่าในเวลาจํากัดที่ดิฉันได้ฟังท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะเป็นประตูหนึ่งเหมือนกันนะ่ไหมคะ ซึ่งถ้าพูดโดยครอบคลุมอาจจะต้องใช้เวลายาวแต่ดิฉันมากราบเรียนถามท่านต่อเพราะไม่มีโอกาสอยา ก, กราบเรียนถามหลวงพ่อฟังจากคลิปนะคะก็เลยเมีโอกาสอันดีที่จะได้มากราบเรียนถามทางนี้ช่วยกัอกนอีกทางหนึ่งด้วยเยี่ยมมากไหนๆก็พูดมาเรื่องเนี้แล้วคะ่ะท่านคะเราพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานสี่ดีไหมคะอืมดีดีดีค่ะเนาะสติปัฏฐานสี่เนี่ย เป็นเรื่องธรรมหมวดแรกเนี่ยนะคุณโยมติ๋วที่พระพุทธเจ้าคิดถึงตั้งแต่ตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆเหนื่อยมาบำเพ็ญความเพียรมาแล้วก็ข่าแม่น้ำเนรัญจรามามานั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไทรนี่ท่านก็คิดถึงหมวดธรรมคือสติปัฏฐาน4นี่แหละว่าจะเป็นหนทางที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ไ ด, นะได้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก เร si like ื่องนี้คัญมากทีนี้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้เนี่ยนะคือถ้าเราจะแยกออกแยกออกได้เป็น4อย่างอย่างนี้ก็ได้คือกายเวทนาจิตและธรรมเนาะหรือถ้าเราจะแยกออกเป็นสองก็จะเป็นสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาหรือถ้าเราจะแยกเป็นสามก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าเราจะแยกเป็นแปดก็จะเป็นอริยมรรคมีองแปด คือถ้าเราจะพูดให้มันกว้างขวางแตกออกไปก็ได้หรือเราจะพูดเป็นจุดเดียวเข้ามาก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะจับตรงกิ่งไหนยอดไหนหรือว่าต้นไหนเนี่ยเป็นอันเดียวกันหมดเลยเปน็นเดียวกันหมดใช่นะน่าทึ่งมากนะคะเรียกแตกต่างกันไปแล้วด่วนว่าหัวข้อทำแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็นสมถาวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญา โดยเพรอย่างยิ่งอะไร ม, มากมนองค์8ดเนี่ยเป็นทำข้อใหญ่ที่เรารู้สึกอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คนละข้อนะอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันอ่าคือคือตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้ที่ใต้ต้นโพเนี่ยท่านก็คือมีจิตในจิตดวงเดียวเหมือนกันเราจะตรัสรูท้ทำก็จะลักษณะเหมือนกับของท่านแต่ว่าความลึกซึ้งอาจจะต่างกันก็จิตดวงเดียวเหมือนกันทีนี้พอเวลาพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเนี่ยโดยด้วยความที่ท่านเป็นพระกวาพระกว่าเนี่ยแปลว่า ผู้จำแนกแจกทำเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแจกออกมาแยกออกมาให้เห็นว่าไอ้ที่มันดวงเดียวก้อนเดียวเนี่ยอ๋อมันคือสมาธิภาสนานะอ๋อมันมีสีสมาธิปัญญานะอ๋อมันคือมรรคแดนะอ๋อตรงนี้เป็นมาจาอ๋อตรงนี้เป็นจิตเอาจิตแยกเป็นส่วนที่เป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาเนี่ยเป็นการเห็นตามที่เป็นจริงออกไม่เหมือนกันอย่างนี้คือแจกออกแยกออกให้เห็นนีทีนี้เวลาเราทําเราต้องทําอันเดียวไงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวอันที่จิตเอา ท่คะในส่วนของการแยกเนียคะเด็ที่ว่าบางคนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะจากสี่คือสติปัฏฐานสี่จะพูดเป็นสองก็ได้อืมันลดลงมายังไงถึงเป็นสองหรือว่าพูดเป็นสามาเพิ่มยังไงไปอีกหนึ่งเป็นสามหรือพอเป็นแปดอย่างเงี้ยจากสี่แล้วมาเป็นแปดเนี่ยเอาสองคูณเข้าไปเฉยๆหรืออย่างไรคะคือตัวนี้เป็นการอธิบายนะเป็นการแจกแจงเป็นการแจกแจงครัว่าแจกแจงเนี่ย คือเหมือนอย่างกับในข้าวเมล็ด1นึงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะไปแยกสารประกอบว่าจะมีคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินเอบเท่าไหร่อย่างเงี้ยนี่คือเขาแยกเป็นสารประกอบนะที่อยู่ที่ว่าเขาจะมองจากมุมไหนอ่ะถ้าจะมองจากความที่มันเป็นเอ่อเป็นทางทางกายภาพก็จะเปลือกกับมเมล็ดก็แยกได้สแต่ถ้าจะมองจากความเป็นไฮโดรคาร์บอน แล้วคุณก็จะแยกได้เป็นพวกมินเนอรลพวกวิตามินพวกคาร์โบไฮเดรตจะแยกได้เป็น3เช่นเดียวกันในธรรมะตรงนี้ที่เราบอกว่าเราจะแยกเนี่ยเราจะมองจากมุมไหนถ้ามองจากมุมของการเจริญสติให้มันเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนะอ๋อคุณมองได้4อย่างคุณจะใช้กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้หรือตามก็ได้เป็นเครื่องมือให้เกิดสติอันนี้คือมองจากมุมของเครื่องมือที่จะพัฒนาให้มันเจริญขึ้น อันนี้ได้สีอันแต่ถ้าเราจะมองจากแง่มุมของการที่เราเห็นภาษาต่างๆเห็นภาษาทั้งหูเห็นภาษาทั้งตาเนี่ยตรงไหนคือสติอ๋อตรงที่เราเห็นทั้งสมถะและวิปันปสนาตรงเนี้ยก็แยกได้เป็น2 ส, สมถาวิปัสนาสมมติมีเสียงมาจากท้องหูปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงในมันอ่านั่นคือวิปัสนานะคุณจะทำวิปัสนาได้จริงคุณต้องมีสมาธินะเป็นสมถะนะอ๋อนี่จึงมีสองอันตรงนั้นแหละคุณมีสติแล้ว นีคือมองจากมุมของภาษาที่มากระทบเราเห็นตามความไม่เที่ยง<ใ>ก็จะแยกได้เป็น2องทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆตรงไหนคือวาจาตรงไหนคือกายล้วก็จะแยกได้เป็นศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต้องมีศีลเป็นเรื่องของทางกายทางวาจาเพิ่มขึ้นมาซึ่งสีลสมาธิปัญญานี่มันสามารถแตกออกได้เป็นมรรคแอยู่แล้วนี้มีที่ภิกษุณีธรรมตินาตนได้บอกเอาไว้ พระพุจ้าก็รับรองแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยคุณหยมติ๋วเตี้ยรามาเคยพูดไว้มองจากด้านนี้อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามองจากมุมนี้ออกเป็นวงกลมมองจากมุมนั้นออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่ามองจากมือนแต่ว่ามันมันวาววาวใสปิ้งเหมือนกันอย่างเงี้ยได้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้บางท่านอาจจะแบบว่าเคยเถียงกับเพื่อน ว่าอุ้ยฉันว่าสมถะอุปั ส, สนาสําคัญกว่าเธออะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. สําคัญกว่าอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วมาถึงบางอ้อแล้วไม่ต้องไปทุ่มเถียงกัน mm hmm. ทุกอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่ามองมุมใดเท่านั้นเองใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องะคะ่ะแล้วก็สําหรับอในรายการที่ปฏิบัติปฏิบัติกันอยู่ในตอนต้นรายการการเจริญสตินั้นขึ้นอยู่ในส่วนของ ขึ้นอยู่ใน <Okay. S 1> ส่วนของสติปัฏฐาน4ี่เมาจะ <Okay. S 1> อธิบายจากเครื่องมือจะใช้ใช้มุมนี้อยู่เป็นประจำตอนนี้พอเริ่มจากตรงสติปัฏฐานสี่เช่นให้รู้ลมบ้างให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยก็จะมาต่อด้วยมุมที่ให้มีการเจริญสมาธิวิปัสสนาันีนน้คือ <Okay. S 1> แบบแบบโครงสร้างในใจเนี่ยคิดอยู่อย่างนี้นะสมมติคุณยมติ๋วให้อ่าพาท่านมความปฏิบัติอ่าในใจก็จะคิดวลาว่าจะพูดตรงนี้เรื่องสติปัฏฐาน4ี่แล้วก็จะพูดต่อไปเรื่องของ การทำสมถธวิปัสนาแล้วก็จะจบลงด้วยเรื่องของการให้มีการปฏิบัติในทุกๆวนันในทุกเรียนบทน่ะจะจบลงตรงนั้นค่ะแล้วดิฉันเองไม่สามารถทำให้ท่านฟังเนี่ยฟังเรื่องมหาสติประธานสูตรในคลิปของหลวงพ่ออย่างที่ได้ยกขึ้นมาได้ให้ท่านได้ช่วยเมตตาพูดให้เต็มเลยได้ไหมคะถึง สติปทานในส่วนของการเอาสติไปตัในเวทนาจิตและธรรมก่อนจะจบรายการวันนี้ค่ะเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็คือว่าพระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของอนาปนาสตินะว่าเป็นผู้ที่การปรุงแต่งของจิตเนี่ยมีความระงับลงนะเช่นว่าคิดน้อยลงแต่จิตมันจะไปฟุ้งซ่านเนี่ยก็ลดลงในะความระงับลงตัว น, นี้คือเรื่องของเวทนา แล้วพอเรื่องของจิตในจิตอยนะเช่นว่าจิตของเรามีความคิดฟุง้งซ่านมีราคะโทสะโมหะหรืออย่างนี้เราก็มีสติรู้แต่ไม่ตามมันไปนี่ในยะที่1 ห, หรือจิตเราการที่มีจิตเป็นสมาธิอันนี้คือผู้ที่เห็นจิตในจิตนะส่วนเรื่องของธรรมนะที่ได้พูดไปก็คือการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เช่ยในภาษาต่างต่านะคือธรรมะคือความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ ของปัจจัยที่เราไปรับรู้รั บ, รบทราบนี่คือการเห็นธรรมในธรรมแต่มันก็จึงเราเป็นสติปัฏฐานสีน่ไมไม่ไม่จำเป็นต้องว่าพอเริ่มต้นปุ๊บสตาร์ทที่พิจารนากายก่อนแล้วพอถัดมาก็มีสติมาพิจารณาในเรื่องของจิตเป็นขั้นตอนที่สองแล้วขั้นตอนที่สามก็คือเรื่องอเวทนาก่นแล้วค่อยๆจิตค่ะอืมก็ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับนี้ อยู่ที่ว่าเราอยู่จุดไหนคุณอยู่ใกล้ประตูไหนคุณเข้าประตูนั้นเลยคําว่าอยู่ใกล้ประตูไหนคุณเข้าประตูนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณคิดนึกเรื่องอะไรได้ที่เราจะทําให้เกิดสติได้คุณเอาตรง น, นั้นเลยท่านคะแล้วก็เป็นเทคนิคหรือเปล่าคะว่าถ้าตัดสินใจหรือว่าอยู่ใกล้ประตูไหนแล้วทําประตูนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องทําสลับไปสลับมาไม่ใช่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันก็รู้สึกว่าเวทนามันชัดเดี๋ยวจิตก็ชัดเลยสวิงไปสวิงมาอย่างนี้นคะ่ะเอ่อไม่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ได้ ก็คือเราเอาตรงไหนได้เพราะว่าประเด็นที่พระพุทธเจ้าให้ทำก็คือเป็นผู้ที่ไ ม, ม่ประมาทไ ม, ม่ประมาทนี่คือมีสติแต่หลัดจากที่เรามีสติแล้วคุณจะมาจากประตูไหนอยู่ที่บางคนก็ชํานาญเข้าประตูนี้อยู่เป็นประจําอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นต้องไปเข้าประตูอื่นก็ได้ก็สังเกตตัวเองเบว่าสติเจริญอย่างไรหมดเวลาแล้วค่ะท่านคะเชิญบานเชิญบาวันนี้ก็นมรส ก, การกราบขอบพระคุณท่านพระหมหาพัยบุญอภิปุลโน มโดยการหลักสูตรเอกเรนวัดป่าดอนหายศกไว้แตเพียงเท่านี้นะคะนัศการค่ะเยี่ยมปานข้างฝั่งที่รครบคะและนี้ก็คือรายการที่ท่านจะได้เสด็จรมที่ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันรายการสัสนิสนทนนะคะเรามีบันทึกเทปสําหรับการจัดรายการเมื่อปีที่แล้วสนทนาโดยพระมหาเพริบุญนภิพุนโนโลและดิฉันสันนินฐานพงษ์เนี่ยนะคะที่จะให้กับผู้สนใจติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ ศ2 1 2 6 6 1 06 0 2 1 2 6 6 1 06และตามที่ได้แจ้งไว้นะคะวันนี้ท่านเพบู์ได้มาร่วมในเวทีสนทนาธรรมหัวข้อการเจริญสติคือการรักษาพระธรรมวินยัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรชั้นสองอาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่องบาย ถึงบ่ายสามโมงครึ่งคงต้องรีบเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปฟังถ้าหากว่าสนใจกันก็เรียนให้ทราบส่วนถาพลาดวันศุกร์สนใจวันจันทร์ท่านก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่22สิบสองบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งเป็นการแสดงธรรมโดยท่านเพียงคนเดียวเรื่องธรรมะโอสถมิติการเยียวยาด้วยใจ ที่โรงแรมตวนนากรุงเทพมหานครห้องประชุมคริสตัลบอลรูมค่ะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะที่ชันสันสีนาพงจะมาพบกับท่านฟังใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทุว่าสวัสดีค่ะ